กับนมัสการท่านพระอาจารย์นะฮะพระอาจารย์มหาดิเรกถูกไหมก็ดิ น, นะฮะขอขอบพระคุณมากที่กรุณาให้โอกาส ร, ร่วมบุญบา ร, รมีนะกับท่านในการแสดงธรรมคืนเนี้ยก็คือแล้วก็อีกอย่างก็ต้องขอบพระคุณท่านทั้งหลายอ่ะที่ได้มาใช้สถานที่อสมมาตานะเพราะว่า การที่ท่านเข้ามาในอสมมาตานเนี่ยมันก็ว่ากันตามจริงมาโดยต้องสละความเคยชินเข้ามาเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่ข้ามความเคยชินของตัวเองได้แล้วก็เข้ามาอยู่ตั้งสีห้าวันได้เนี่ยถือว่าก็เป็นสังฆะหรือเป็นสง์อย่างหนึ่งนะคะซึ่งทำได้ยาก เพราะฉะนั้นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยที่ท่านนั่งอยู่เนี่ยแม้กระทั่งหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยเราก็เชื่อว่าท่านทําให้สถานที่เนี้ยได้ศักดิ์สิทธิ์มากขึ้นนะคะซึ่งท่านก็คงรู้อยู่แล้วว่าเอเอชื่ออันนี้ฮะเขาชื่อศาลาศิลิพัลลุนศิลิพรุลนก็คือนาบักกาของดิฉันเนี่ยเพราะว่าดิฉันเป็นสปอนเซอร์ใหญ่สร้างศาลานี้นะคะแล้วก็ก็คือว่าในการสร้างศาลาเนี่ย คนเราเราก็คิดว่าเออนี่ก็เป็นบุญแล้วนะฮะเป็นบุญแล้วก็เวลาท่านทำมาก็เป็นบุญด้วยแต่จริงๆแล้วเนี่ยบุญที่มากกว่านั้นเนี่ยที่ดิฉันมากจะนึกถึงอยู่เสมอก็คือบุญที่มันมีคนงานอีกเยอะเลยที่เข้ามานั่งที่เข้ามาแล้วต้องสละต้องสละที่จะเข้ามาอยู่ที่เนี่ยเป็นเดือนๆเลยสละครอบครัวมาหรือมาทางานอะไรอย่างเนี้ย ซึ่งดีแท้ถือว่าคนงานทั้งหลายแหล่เนี่ยถ้าถ้าไม่มีเขาเนี่ยเราก็ไม่มีที่นั่งอันสบายเนี่ยนะคะดีแทิงไปไปอบรมนักศึกษาที่มอสุรานาลีเนี่ยมันจะเป็นเครื่องทันสมัยมันไม่ไม่ใช่แบบนี้ไม่ใช่ศาลาปเปิดแบบนี้มหาวิเลยนะั้นมันจะเป็นมหาวิเลยสมัยใหม่หมดเลยทุกอย่างเข้าไปปุ่มกดหมดเออใช้ปุ่มเราเรามีความรู้สึกว่าบอกนักศึกษาว่า เธอต้องเป็นคนมีบุญนะเข้ามาถึงเนี่ยเธอก็มาถึงก็มาใช้จอใช้เออสื่อสารอะไรเนี่ยเข้ามาจัดการแล้วก็มีอะไรอะไรให้พร้อมแต่ว่าคนที่สร้างอะ่ะคนที่เขาสร้างแม้แต่หนึ่งคนเนี่ยถ้าเขาเข้ามาเนี่ยกาต้องไล่ออกนะทั้งทั้งที่จริงๆเขาอาจอยากจะมาดูว่าที่เขาสร้างตึกเนี่ยเขาอาจอยากจะเข้ามาเขาไม่มีสิทธิ์เข้ามาแม้แต่จะเฉียดเข้ามานะฮะ เพราะฉะนั้นเนี่ยเราเราต้องเข้าใจว่าส่วนมากเนี่ยเรานั่งสุขสบายอยู่เนี่ยโดยที่บางทีเราไม่ได้นึกถึงว่าคนที่เขาเสียสละเขาต้องเสียสละครอบครัวเสียสละอะไรแล้วเราก็ไม่รู้อะไรเกิดความทุกข์อะไรเกิดกับเขาระหว่างที่เขาสร้างอ่ะแต่เขาไม่มีสิทธิ์ใช้นะนี่เป็นความจริงทั่วๆไปของโลกสมัยเนี้ยว่าคนทําไม่ได้ใช้แล้วคนใช้ก็ไม่ได้ทําเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราอ่า คล้ายๆกับว่าเมื่อเข้าใจจิตเนี้ยเราจะต้องเข้าใจว่าสิทธิที่เราจะเข้ามาแล้วก็ข้ามตัวเองเข้ามาแล้วก็มานั่งมีทุกคนบริการอะไรให้ด้วยด้วยความปื้มไปติตะคนที่เข้ามานี่ มามาให้คุณทำงานเนี่ยน้องสาวี่ฉันทำอาหารเนี่ยทำด้วยความเต็มใจเพื่อมิติใครจะขวางไม่ได้เลยจะต้องทำให้ดีที่สุดอะไรอย่างนี้น ะ, ะเพราะฉะนั้นเพราะทำไมคนเราถึงเชื่ออย่างนี้เพราะเขาเชื่อในบุญบา ร, รมีวะว่าคุณข้ามตัวเองมาได้อะเพราะฉะนั้นต้องไม่ใช่ธรรมดาเพราะฉะนั้นอาหารที่คุณทานเข้าไปอะ่ะเขาก็จะได้บุญนี่นี่คือความเชื่อนะคะ เป็นความเชื่อที่เป็นเรื่องของบุญบรารมีแต่พูดจริงๆมันก็คือตัวตนถ้าเรามันยังมีตัวตนอยู่เนี่ยมันก็ต้องอกินบุญไปก่อนอะไรอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นอย่างดิฉันนี่คือคล้ายๆกับว่าจริงๆแล้วเมื่อกี้พลิกๆประวัติดูนะในที่สุดดิฉันก็ชื่อว่าเป็นแชมป์แห่งอายุอ่ะอายุสูงกว่าท่านทุกคนในที่นี้นะคะเพราะฉะนั้นก็พูดง่ายว่า ความชลานี้ท่านผุทชาสบ่กวว่ามันมีคุณค่าอย่างยิ่งนะฮะทำเราทให้เราไม่ไม่กล้าเหมิมเกลืมอะไรมากนักอ่ะเพราะว่ามรณามันเข้ามาใกล้ๆคอประตูอยู่เรื่อยๆนะฮะเพราะนี้แต่แต่ดิฉันเนี่ยพูดจริงๆมีความอัศจรรย์ตั้งแต่เล็กแล้วตั้งแต่เล็กนี่เป็นหนอนหนังสือนะฮะแล้วเวลาเรียนวิยศาศาสจบวิทยศาศาสจบจากอเมริกามานะไม่ให้จบจากจุฬาก็มีความรู้สึกว่า ภาษาเนี่ยมันสําคัญมากเลยแล้วก็มีความเชื่อในภาษาเพราะฉะนั้นคือมีความอัศจรรย์ในภาษาเนี่ยว่าทําไมภาษาเนี่ยมันจึงทําให้คนเนี่ยคล้ายๆกับมันเนี่ยเกระดาษเนี่ยมันมันทําอะไรคุณไม่ได้เลยนะกระดาษเนี่ยแต่ถ้าเขียนเนี่ยเครื่องหมายด่าคุณเนี่ยมันทําได้ทันทีเลยอ่ะเชื่อปะ แค่ใส่สีดําลงไปแล้วคุณอ่านความหมายมันออกเนี่ยมันมันสามารถที่จะทาอะไรคุณก็ได้หรือถ้าหากว่าถ้าไม่ใช่ดิฉันทานะคนที่รักคุณที่สุดเนี่ยแล้วเขาก็ทําเขาก็ว่าคุณให้แสบที่สุดเนี่ยโดยโดยใส่กระดาษแล้วก็แทรกไว้บนหมอนเนี่ยมันจะทําให้คุณแสบที่สุดทั้งๆัที่อันเนี้ยมันไม่มีค่าอะไรเลยกระดาษไม่มีค่าอะไรอันนี้คือสิ่งมหัศจรรย์ที่ค้างใจดิฉันมาตั้งแต่เล็กๆแล้วโดยเฉพาะตอนสมัยก่อนนู้น่ะ พวกคุณระดับข้างหน้าเนี่ยคงจะจำคุณพี่ชัยวัสนาสงได้ใช่ปะจำได้นะฮะคุณพี่ชัยวัสนาสงทำให้ดท่ันเซอร์ไพรส์เพราะสมัยนั้นดิฉันเป็นเพื่อเป็ น, ปนอาจารย์ใหม่ๆก็ว่าว่าลีเดียเนี่ยนะแอรโรเอกลักษ์ของเอกบุตรจำได้ปะจำได้ไหได้ปีละสามหมื่นได้มาเรื่อยๆแตบใดที่ยังมีเนี่ย ได้ปีละสามหมื่นที่ฉันเซอร์ไพรส์มากเลยนะว่าเอ๊ะทาไมอะ่ะทําไมทําไมทําไมคําเนี่ยมันถึงมีราคาขึ้นมาแล้วก็อย่างชาวนาอย่างเงี้ยเขาไม่คิดค่าตัวเขานะะสมัยก่อนชาวนาเนี่ยเขาคิดค่าตัวเขาไม่เป็นเขาคิดแต่ค่าปุ๋ยค่าอะไรที่เขาใส่ไปในดินนะนั่นคือค่าแรงของชาวนาแต่ชาวนาเดี๋ยวนี้คิดเป็นนะแต่สมัยก่อนคิดไม่เป็นซึ่งเราเนี่ยจําเป็นต้องกินข้าวแต่ว่าชาวนาเนี่ยไม่มีกินนะ เพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้ก็ยังเป็นจริงอยู่นะคนที่คิดอะไรอ่ะคิดคําไอ้ใหม่ๆได้เนี่ยก็ยังได้ราคาแพงเดี๋ยวนี้เป็นจริงยิ่งกว่าสมัยก่อนอีกเพราะว่าสั ญ, ญลักษณ์มันจะมีมากเหลือเกินอย่างเช่นคุณจําสั ญ, ญลักษณ์ของการบินไทยได้ไหมการบินไทยการบินไทยในสั ญ, ญลักษณ์สมัยก่อนที่หนังสือพิมพ์มันคล้ายๆกับว่า มันเสียดแทงหัวใจคนนะ่ะก็คือการบินไทยเนี่ยเขาเรียกโลโก้โลโก้การบินไทยเนี้ให้ฝรั่งคิดขึ้นเสียไปล้านบาทจําได้ปะ่ะแต่เดี๋ยวนี้มันแย่ยิ่งกว่าสมัยก่อนล้านบาทสมัยก่อนเนั่นมาห้าิบปีที่ผ่านมานะเดี๋ยวนี้คงห้าสิบล้านฝรั่งเขียนโลโก้มาให้แค่เนี้ยแล้วก็หนังสือพิมพ์มันบอกแหมเหมือนเจ้าจำปีเลยก็เลยนิยมเรียกว่าเจ้าจำปีท่านคงรู้นะความหมายคืออะไรนะคะก็คือว่า เพราะฉะนั้นเนี่ยแต่สมัยนี้มันมีโลโก้เยอะมากแต่ว่าท่านโลโก้ที่ยากที่สุดก็คือว่าสมมุติว่าเม็ซี่หรือใครที่ที่ใส่รองเท้าหรืออะไรเนี่ยแค่เขาใส่รองเท้าแล้วโชว์เท้าให้ดูอ่ะก็ได้สองร้อยห้าสิบล้านเดี๋ยวนี้มันยิ่งแย่กว่าสมัยก่อนอีกคือคือค่านิยมมันมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยนะฮะ เพราะฉะนั้นอย่างที่ท่านนั่งอยู่เนี่ยท่านไม่รู้หรอกเมื่อคืนนี้เด็กเด็กเมริกันมาชื่ออะไรเดี๋ยวต้องจดไว้เมื่อคืนดูข่าวชื่อชื่ออะไร j ส s t i n bieber เนี่ยเด็กเด็กคนนี้ได้รู้รู้ไหม j สติ i n bieber เข้ามาเมื่อคืนตีหนึ่งเครื่องบินลงโอ้โหเด็กคนไทยไปรับไม่รู้กี่พันคนเลยนะที่สนามบินตีหนึ่งนะตีหนึ่ง ถ้าหาว่าให้มันนั่งสมาธิแล้วพระนํากรรมฐานสักชั่วโมงมันคงบ้ากระอักเลือดตายเอาชั่วโมงเดียวไม่ต้องไปพูดถึงยืนไปกี่ชั่วโมงนะฮะลักษณะแบบเนี้ทํำให้ดิฉันคล้ายๆประหลาดใจตลอดเลยว่าเอ๊ะทาไมมันเป็นอย่างนี้มันตั้งแต่ดิฉันเล็กๆจนเดี๋ยวนี้แต่เดี๋ยวนี้เลิกประหลาดใจแล้วนะเพราะเข้าใจแล้วว่าอ๋อพอมาศึกษาศึกษาดิฉันศึกษาด้วยตนเองนะโดยนั่งกรรมฐาน แล้วก็เปลี่ยนมาหลากรรมฐานมากจนกระทั่งคิดว่าตอนนี้พอเลี้ยงตัวได้อย่าง น, น้อยก็เดี๋ยวจะพูดว่ารู้ซื่อเนี่ยของท่านหลว ง, งพ่อเทียนเนี่ยมีหมายถึงอะไรจริงๆแล้วคุณไม่มีในตําราหรอกนะแต่ดิฉันเป็นนักปริยัติเดี๋ยวจะต้องแล้วก็เป็นอาจารย์ด้วยไปพูดที่ไหนไม่เคยไม่มีชีตเพราะว่ามันเป็นลักษณะของอาจารย์ ไม่เคยจะข้องอย่งที่ไม่มีชีตนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างอันเนี้ยอันเนี้ยนะะก็คือมันเป็นตัวหนังสือท่านต้องถอดรหัสให้ได้ก็บอกว่ารหัสเนี่ยของคุณพี่ช้ยวาสนาส่งนะแอโรเอกลักษณ์ของเอกบรรลุษยังเขียนยาวแล้วได้ปีละสามหมื่นแต่ดิฉนันจะบอกว่าถ้าคนถอดรหัสอันนี้ได้นะนี่เป็นภาษาไทยนะเพราะคุณลามกำแหงคิดขึ้นแต่จริงๆแล้วเนี่ย มันมาจากภาษาบาลีสิ่งที่ที่ฉันอัศจรรย์ใจก็คือภาษาบาลีเนี่ยคนไทยลังเกียจแต่เมื่อสองพันกว่าปีเนี่ยพระเจ้ามิลินนะฮะสองพันกว่าปีหลังพระเจ้าอาโศกหนึ่งร้อยปีพระเจ้ามิลินเนี่ยถามพระนากเกษณพระอราหันต์ของไทยแล้วตอบปัญหาท่านถามสอ ง, สอ ง, ส, องสองเนี่ยสเส้นนี้นะใช้คําถามพวกนี้ทั้งนั้นเลยถามพวกเนี้ยคุณไปอ่าน ม, มิลินเท่าไรปัญหา คือถามทั้งนี้เลยอายตนะพระเจ้ามิลินนี่เป็นกษัตริย์กรีกนะแล้วต่อมาเพลฟังคําตอบเสร็จก็ไปนั่งกรรมฐานแล้วได้เป็นพระลังหันคนแรกที่เป็นตะวันตกนะแต่ว่าเดี๋ยวนี้ฝรั่งนี่มันใช้จิตวญาณมาทั้งนั้นเลยผ่านเวลาผ่านมาสองพันกว่าปีฝรั่งมันถอยหลังเขา้าคองเหมือนเหมือนพวกเราอะ่ะก็คือเหมือนเหมือนคนสมัยเนี้ที่ถอยหลังเขา้าคลองก็คือว่าคนที่ทําอะไรให้เรากินเนี่ยเราจะไม่ให้ค่าเขา ของอะไรที่มีค่าอย่างเช่นอากาศเนี่ยเราจะไม่ให้ค่าเลยอากาศที่เราหายใจฟรีๆของอะไรที่จำเป็นในชีวิตเราเนี่ยเราไม่เคยให้ความหมายแต่ว่าถ้าหักของที่กินไม่ได้เนี่ยเขาบอกเมืม่อวานนี้ก่อนจะมาเนี่ยดูข่าวไอ h o n ห้ายี่อเนะเมื่อกี้คนมันเข้าแถวเนี่ยเขากะว่าหักขายได้ห้าล้านเครื่องในวันเดียวนะ แต่มันเข้าแถวยาวขายได้เจ็ดล้านเครื่องมันพลิกพลิกปากตาคนเลยขายได้เจ็ดล้านเครื่องวันเดียวนะฮะสิ่งที่ไม่จําเป็นในการดํำรงชีวิตคนจะแย่งกันซื้อแต่สิ่งจําเป็นสําหรับชีวิตนะและจะทําให้คุณเนี่ยมีสุขภาพดีสุขภาพกายดีสุขภาพจิตดีต้องงอมาฟังนักเรียนทุกคนเวลาจะเข้าธรรมะต้องไปหางบประมาณมาให้มันนะ ชีตที่แจกดีฉันส่วนมากต้องพิมพ์แจกฟรีทุกอย่างฟรีหมดนี่คือความจริงน่ะฮะเราก็มาดูว่าเอ๊ะทำไมความจริงมันเป็นอย่างนี้นะของที่เราให้ดีๆเนี่ยเพื่อที่จะมีประโยชน์กับเขาใช้ชาตินี้ก็ยังไม่หมดตามไปชาติหน้าก็ได้ด้วยแล้วถ้าหากเกิดอะไรขึ้นของที่เราให้นี่แหละคุ้มครองส่วนของที่เขาตามไปซื้อนั่นแหละเป็นของที่จะฆ่าตัวเขาแต่มันมีราคาสูง เราถึงได้แม้เข้าใจว่าโอ้คนในโลกนี้มันเน้นมันเน้นมูลค่าแล้วเน้นที่ความพอใจมากกว่าเน้นที่คุณค่าและเน้นที่ความจริงเพราะฉะนั้นคนในโลกนี้ถ้าใครบอกความจริงเนี่ยบอกความจริงอ่ะไม่เคยชอบแต่ถ้าบอกความลวงแล้วก็ถึงไหนถึงกันนะฮะคันนี้เอาสั้นๆเดี๋ยวไม่ถึงหลวงพ่อเทียน <laughs> ก็คือว่า คุณเราเราดูนะฮะดิฉันจะถามเด็กนักเรียนพี่เดันสอนทุกคนเลยว่าน้องเมรัชนกเนี่ยเพราะว่าทีวีมันรีเพลเย์เรื่อยเรื่อยเืยตอนที่อันสุดท้ายที่ได้แชมป์รู้ว่าได้แชมป์นั่งซุดตัวลงลงแล้วก็ร้องไห้ถามว่าจิตเขาอยู่ที่ไหนเด็กดิฉันตอบได้นะจิตอยู่ที่ปิติคนมันเข้าฌานนะฮะ พวกนี้ต้องมีฌานถ้าไม่มีฌานไม่สามารถที่จะนั่นได้ถามว่าพอจากร้องไห้เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปจับจับมือกับฝ่ายตรงันข้ามแล้วก็จับมือไหว้กรรมการถามว่าตรงนั้นจิตอยู่ที่ไหนอยู่ที่ปัสสติเด็กตอบได้แล้วเมื่อธงไต่ลงขึ้นจิตอยู่ที่ไหนเขาบอกอยู่ที่สุขหรือไม่ก็สมาธิเมื่อลงจากเครื่องบินคนไปรับเยอะมากเลยจิตอยู่ที่ไหนจิตอยู่ที่ปราโมท ถามว่าน้องเมีมีความทุกข์ไหมไม่มีทั้งหมดเนี่ยไม่มีความทุกข์นี่วันนี้วอลเลบอลอีกแล้วนะเขาบอกห้าห้าวันคุณไม่รู้หรอกที่เข้ามาอยู่เนี่ยนักวอลเล่ได้แชมป์มันจะต้องรับซับอะไรอีกห้าวันนะะเพราะฉะนั้นเราเราจะดูว่าว่าลักษณะอันเนี้ยความในที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็คือว่าถ้าเราถอนรหัสเนี่ยได้ ทั้งหมดเนี่ยนะทั้งหมดที่เราถอด ร, รหัสได้เนี่ยคือจิตเราไม่เคยหนีไปจากรหัสพวกนี้ถ้าถเราถอด ร, รหัสเป็นนะฮะถ้าพูดถึงถ้าถอดไม่เป็นมันก็จะเป็นลายแทงเพรา น, นี้เราดูถามว่าส่วนมากเนี่ยเราจะเราจะพูดว่ามันมีผัสสะมีเวทนาสิ่งที่เราชอบใจหรืออะไรต่างๆเนี่ยถ้าคนเดี๋ยวนี้ ถ้าชอบใจแล้วมีเสน่ห์เนี่ยมันจะใช้อย่างนี้มันจะเกิดความทุกข์ก็ไม่ว่าเนียยังเข้าไปกรี๊ดกรีดกันอย่างเงี้ยมีความทุกข์แค่ไหนก็ไม่ว่าเพราะบัตรมันแพงๆมันต้องเข้าไปกรี๊ดปฏิบัติธรรมเหมือนกันนะคะถ้าเก็บคุณสามหมืนเนี่ยแล้วฝรั่งสอนนะห้าวันไม่มีคนออกเพราะฝรั่งมันบังคับได้อยางคุณเสียตังค์ไปสามหมื่นเสียได้เงินทุกทุกคนเนี่ยถ้าคิดถึงกําไรขาดทุนเนี่ยมันจะต้องอยู่ในปฏิจจาสายนี้ พูดถึงนะฮะเส้นสายนี้แต่ว่าเท่าที่ดิฉันเนี่ยนั่งสมาธิแล้วก็ค้นพบว่าถ้าหากว่าคุณเนี่ยไม่มีความรู้สึกที่จะอย่างเช่นว่าวันนี้ยผู้เนี้ยคุณเดินไปข้างบนเขาแล้วก็ลงมาบางคนไม่เหนื่อยเลยนะเพราะอะไรเพราะมันมีศรัทธา มันจะเฉยๆแล้วพวกนี้ถ้าหากว่าคุณข้ามศรัท ธ, ธาไปได้แล้วคุณนึกถึงเวลาเขาให้บอกว่าเออมีอารมณ์ยังไงบางคนเกิดปาโมลด์ว่าอู้เราทําได้ตั้งเยอะแยะสามวันนี้เราสงบใจได้ตั้งเยอะแยะคุณมาถึงปาโมลด์ถามว่าศรัท ธ, ธาปาโมลด์อะไรปัิสิทธิ์พวกนี้ยคุณทําขึ้นเหรอสิ่งที่ดีฉันกำลังที่ดีฉันเนี่ยคล้ายๆกับบอกคุณนะคุณ แต่ดิฉันเชื่อว่าเนี่ยเป็นการแตสรุของพระเจ้าคืออันเนี้ยเป็นสิ่งที่เราทุกคนเนี่ยได้จากธรรมชาติทุกอย่า ง, วงารวมทั้งพันธุ์านเนี่ยมีอยู่ในจิตเราแล้วไม่ต้องทําขึ้นคุณทํายังไงให้ค้นพบอุปมาเหมือนดังแร่แร่แรัตนชาติแร่เงินแร่ทองแร่รัตนชาติมันอยู่ใต้ดินถูกไหมฮะถูกไหมถูกคุณขุดออกมาคุณต้องทํามันขึ้นไหม ต้องทำแร่ทองขึ้นไหมไม่ต้องทำยังไงคุณจะต้องเอาอุปสรรคไปถูกไม่ถูกแล่รัตนาชาติอื่นๆก็อันเดียวกันเพราะฉะนั้นอันเนี้ยคือรัตนาชาติในจิตของเราก็คือว่าปลาโมดปิติปสัสสิสุขอันนี้อันนี้ดิฉันเออเป็นเป็นคำของท่านพุทธานนะไม่ใช่ดิฉันพูดเองนะดินคือเพชรในหัวคังคถ้าใครเป็นลูกศิษย์ท่านพุทธานจะรู้นี่สํานวนของท่าน อันนี้คือปกติดิฉันไม่กล้าซีไม่กล้าพิมพ์นะก็ต้องใช้หลายมือท่านแต่วันเนี้ยพิมพ์แต่ น, นี่คือคําของท่านพุทธาก็คือว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นรัตธนาชาที่อยู่ในจิตของเราคน น, นนี้รัทธนาชาอันเนี้ยคือจนถึงนิพพานด้วยนะถ้าคุณต้องทํานิพพานนี่คุณผิดและมันมีอยู่แล้วถามว่ามีอยู่ตอนไหนก็มีอยู่เดี๋ยวนี้ยเดี๋ยวนี้เลยเดี๋ยวนี้มีแต่ว่าเหมือนโลกแผ่นดินน่ะ ถ้าคุณขุดไปมันก็ต้องเจอเจอทองมันมีเลยแต่ทํายังไงเราถึงมองไม่เห็นอันเนี้ยดิฉันคิดว่าหลวงพ่อเทียนตอบคําถามดีที่สุดคือคุณต้องรู้ให้ได้ว่ารู้ซื่อื่อคืออะไรเพราะเมื่อไหร่เรารู้ซื่อื่อเนี่ยความทุกข์มันจะเปลี่ยนเป็นศรัทธาทันทีเนี่ยคือรู้ซื่อถ้าเมื่อไหร่คุณรู้ซื่อคุณไม่รู้สึกว่ามันมีความทุกข์ พราะรู้ซื่อๆเรายังไม่ได้คือรู้ซื่อๆแปลว่ารู้ที่ยังไม่ก่อความวิจิตวิจิตแปลว่าอะไรก็เนี่ยในของเราในโลกเราเนี่ยมันมีแต่ความวิจิตแม้แต่สวดมนต์ก็เป็นความวิจิตนะฮะภาษาก็เป็นความวิจิตถ้าเมื่อไหร่คุณตัดคําสวดแล้วเหลือแต่จิตจริงๆคุณจะรู้ว่ารู้ซื่อๆคืออะไรเพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้ซื่อๆเนี่ยถามว่าเราจะได้อะไร เมื่อคุณรู้ซื่อคุณจะเห็นลัตนะชาติที่อยู่ในใจของเราแต่ว่าเห็นตรงไหนมันขึ้นกับว่าเหตุปัจจัยบา ร, รมีคุณดันไปถึงแค่ไหนมันก็ได้แค่นั้นแล้วถามว่าได้ได้ตรงไหนบอกไม่ได้เพราะว่ามันเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นลักษณะที่ว่าเราจะดูนะฮะว่าลักษณะแบบนี้เอ๊ะเวลาที่เรามีความทุกข์ไหนใครเมื่อยมังลูกเมื่อยไหมมเมื่อยไมมเมื่อย นั่งมาตั้งไปชั่วโมงเห็นม่ไหเราแต่ละคนเนี่ยเราคิดว่าสมาร์ทโฟนเนี่ยมันสุดยอดอะไรก็สุดยอดทั้งนั้นมันก็น่าอัศจรรย์นะเพราะว่าทําอะไรก็ได้หมดแต่เชื่อไหมว่าพระเจ้ามิลินเนี่ยพระนักเกษกถามพระเจ้ามิลินว่ามหาปพิธเอาเอาเปลี่ยนเป็นอ่าวไทยถ้าถ้ามหาปพิธชิมน้ําที่น้ําทะเลที่อ่าวไทยเนี่ยมหาปพิธจะรู้ไหมว่ามาจาก แม่น้ำเจ้าพยาหรือแม่น้ำป่าสากักหรือแม่น้ำท่าจีนลองเอามาชิมสักนิดนึ่งเข้าใจคำถามไหมเอาน้ําทะเลขึ้นมาชิมเนนะี่ยแยกได้ไหมเพราะว่าสามสายนี้มันลงมาที่อ่าวไทยท่านบอกท่านบอกว่าเป็นไปไม่ได้แยกไม่ได้อ้าวแต่พระ เ, ะเจ้าบอกว่าความรู้สึกของเราหนูรู้สึกเมื่อตลอดนะเมื่อไหมอ่าความรู้สึกไม่ใช่เมื่ อ, อย่างเดียวมันรู้สึกตลอดตั้งแต่เกิดมานี่รู้สึกนับถ้วนไหมทุ่นหรือไม่ทุวน ไม่ทวนคือมหาสมุดของความรู้สึกถูกไหมฮะเรามีมหาสมุดของความรู้สึกในมหาสมุดของความรู้สึกนั้นน่ะพระพุทธเจ้าสามารถที่จะแยกออกได้ว่าทุกครั้งที่เรารู้สึกแม้แต่เพียงเล็กน้อยถ้าคุณรู้สึกว่ามันทุกข์จะบ้าตายหรืออะไรเนี่ยมันมันมาจากสิบเอ็ดปัจจัยสิบสองปัจจัยสิบเอ็ดขั้นตอนมันวิ่งวื้วขึ้นมาเลย แล้วถามว่าใครจะแยกความรู้สึกได้ก็คนที่นั่งสมาธิได้หรือทําสติได้แยกได้เดี๋ยวดิหันจะหยุด ใ, ให้ท่านถามนะนะและถ้าหากว่าเราเราดูนะถ้าหากว่าคุณสามารถที่จะรู้ซื่อได้ว่าหมายความว่าไงลองดูอีกแผ่นหนึ่งเนี่ยแผ่นนี้ ลูกหนูหนูเออเด็กเด็กผู้ชายหนูจับแล้วรู้สึกยังไงลูกอยอยจับกระดาษรู้สึกไงรู้สึกไงแข็งแข็งใช่ไหมแข็งไหมรู้สึก บ, บางๆเป็นแผ่นหรือเปล่าลูกค่ะเนี่ยรู้สึกบางๆาเป็นแผ่นใช่ไหมหนูรู้สึกลมเย็นดีไหมมีมีลมไหมเยน็นถ้า ถ, ถ้าลมมันถูกเราสบายไหมสบายไหมลูกสบาย ขาะที่เรารู้สึกว่ามีลมมากระทบสบายเนี่ยพระเจ้าคนพบว่าความรู้สึกเปิดสิบเก้าดวงสองคนเจตสิษสเตจอยู่ในนี้สิบเก้าดวงเรารู้สึกมาทั้งชาตินะ่ยยังไม่รู้เลยบางทีรู้สึกยังไม่รู้สึกเลยถูกไม่ถูกบางทีเรารู้สึกไม่ใช่บางทีบ่อยครั้งคนที่เล่นเกมนี่ยังดีนะพ่อแม่เอาเข้ามาเนี่ย เด็กเล่นเกมจนกระทั่งมันทิ้งความรู้สึกจนนันตายอ่ะคือมันทิ้งความรู้สึกจนนันตายเลยแต่ความรู้สึกเนี่ยทุกครั้งที่ทำไมมันจิงตายเพราะว่าจิตมันไม่มีกุศลเหลือแล้วมันมีลากุศลเต็มๆถ้าจิตเราไม่มีกุศลเหลือเลยคุณต้องปลิดชีพตัวเองนะมันมันเป็นไปไม่ได้ที่คุณจะอยู่เพราะว่าเราเป็นมนุษย์เนี่ยเราอยู่ได้ด้วยกุศล ก็มีสักนิดหน่อยก็ยังดีถ้าคนบ้านี้ก็มีสติห้าเปอร์เซ็นสองเปอร์เซ็นตเพราะว่าคนบ้ายังไงยังไงมันไม่เดินในรถชนถ้าหากพวกเราเนี่ยพวกเรานะพวกคนที่ไปกรีดกรีดรับพวกดาราทั้งหลายดีฉันว่าสักสี่ห้าเปอร์เซ็นตมาปฏิบัติธรรมได้เจ็ดหรือไม่ได้แปดมันจะได้เพิ่มขึ้นดิฉันบอกว่าจริงว่า สติฟจบกับไอสไตล์สิบห้าปอร์เซ็นสตินะถ้าโซดาบันยี่สิบห้าเปอร์เซ็นตถามจริงๆถ้าผ้าละหันเขาบอกร้อยแต่เราอย่าหวังเลยผ้าละหันเยอะไปเอาเอาแค่โซดาบันเพราะว่าถ้าเป็นชอบโซดาบันเนี่ยสติยี่สิบห้าหมายความว่ายังไงความสามารถของพระโซดาบันมีสติสติสยี่สิบห้าเนี่ยก็คือเราสามารถที่จะหารัตนาชาติที่พระเจ้าคนพบได้ด้วยตัวเราเอง ตอนนั้นเนี่ยเรามีเครื่องมือแล้วหรือไม่ก็สติสักสิบเปอร์เซ็นตเนี่ยดิฉันเชื่อว่าในบางฮะบางแห่งเนี่ยเขาเรียกว่าอ น, นุโสดาบันคือยังไม่ใช่โสดาบันตัวจริงแต่คล้ายๆกับชิมลองโสดาบันก็หาเจอนะเราสามารถที่จะพบได้ว่ามนสิการเป็นยังไงเวลาคุณนั่งสมาธิคุณนั่งตัวตรงนั่งตรงทุกคนนั่งตรงคุณรู้สึกโครงสร้างของท่านั่งรู้สึกโครงสร้างท่านั่ง ให้รู้สึกนะจากนั้นคุณเดินลมหายใจให้รู้สึกว่าโครงสร้างท่านนั่งยังอยู่แล้วเดินลมหายใจดิฉันจะบอกคุณให้ว่าขณะที่คุณรู้สึกท่านนั่งจะต้องไปรีบร้อนนะฮะแล้วคุณรู้ลมหายใจพระเจ้าท่านบอกว่าน่น่เน่เจ็ดบวกห้าคุณดูตรงกลาง ตรงที่คุณรู้สึกท่านั่งนั้นน่ะมันใช้องค์ธรรมสิบห้าตัวสิบเจ็ดบวกห้าสิบสองตัวแต่ตัวที่ชัดที่สุดคือความรู้สึกท่านั่งเขาเรียกมนัสิกานถ้าคุณสังเกตดีดิฉันดิฉันบอกให้คุณรู้สึกท่านั่งมันใช้ธรรมสิบห้าตัวให้คุณรู้สึกท่านั่งเจ็ดเจ็ดบวกห้าแต่ว่าตัวที่ชัดที่สุดดิฉันบอกให้คุณรู้สึกตัวนั้นเรียกมนัสิกาน มนัสิกาลเข้าใจนะแล้วความรู้สึกถัดมาคุณจะมีความรู้สึกว่าจะรู้สึกยังไงก็ตามเธอเขาเรียกเวทนาแล้วก็สัญญาคุณก็จะจำต่อมาเลยนะคะตัวเจตนาดิฉันบอกให้คุณทำลมหายใจเจตนามันจะเข้ามาทันทีนะแล้วก็ถามว่าเอกคตาถ้าคุณทำได้สักหนึ่งนาทีในการรู้สึกท่านั่งแล้วหายใจให้สม่าเสมอเอกคตาจะมาถามว่า คุณมีชีวิตอยู่ป่ะมีป่ะมีหรือไม่มีฮ่านั่นคือชีวิตตินซีกำลังทำหน้าที่ชีวิตตินซีนี่เบาๆนะแค่เวลาแค่หนึ่งหรือสองนาทีดิฉันกำลังจะบอกคุณว่าถ้าคุณเรียนรู้ที่จะเข้าใจว่าพระเจ้าหมายถึงอะไรเนี่ยมันไม่ได้ยากดิฉันเรียนปริญญาเอกเนี่ยกว่าจะได้ปริญญาเอกได้รองศาสตราจารย์ใช้เวลาสมสิบปีแต่เรียนธรรมะใช้เวลาน้อยกว่า เรียนด้วยตัวเองสามสิบปีนี่ยังไม่ได้ไปไหนเลยนะแต่ว่าเรียกว่าทะลุโลกแล้วเหมือนกันเนะ่ะคืออ่านหนังสือมานับไม่ถ้วนเล่มอย่าพูดดีกว่าเดี๋ยวหาว่าโมเพราะอ่านหนังสือจนกระทั่งไม่อ่านอีกแล้วเนื่องจากว่ามันมองเห็นแล้วเข้าใจหมดรู้ว่ามันคิดยังไงมานะถึงเรื่องอ่านนะแต่ว่าถ้าถ้าหากว่าเรามาดูตัวเองเนี่ยเราจะพบว่าเราอ่านตัวเราเองไม่ออก ความรู้สึกเนี่ยที่เรารู้สึกเนี่ยเรารู้สึกเนี่ยตลอดเวลาถามว่าความรู้สึกในกายเรามีเยอะไหมนี่คือมหาสมุดของความรู้สึกคุณจิ้มมาสักจุดหนึ่งจุดไหนก็ได้นั่นคือเอกาคตาถ้าคุณจิ้มมาแล้วคุณมีสติมีปัญญาพอคุณสามารถที่จะแจกแจงอันนี้คือการเข้าฌานสติเตอดพวกเนี้ยนะ คนนี้เราดูนะว่ารู้ซื่ออยู่ที่ไหนถ้ารู้ซื่อเนี่ยคุณจะต้องมีความสามารถในการใช้สติของคุณเนี่ยมองเห็นว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยที่คุณรู้สึกอะ่ะมันมันเหมือนสมาร์ทโฟนเลยมีสมาร์ทโฟนสักเครื่องไหมมีอะไรสักเครื่องไหมโทรศัพท์คือคือพอเปิดปั๊บคุณอยากได้อะไรรูดรูดขึ้นมามาเลยไหมมาเลย คุณจะอยู่ตรงไหนขึ้นกับเจตนาจิตเราเนี่ยเหมือนสมาร์ทโฟนเลยนะต้องไม่ใช่จิตภาพหรือยันนะจิตคนธรรมดาเนี่ยสมาร์ทโฟนนะฮะจะลองทดสอบไหมว่าดิฉันจะบอกอะไรคุณเนี่ยเดี๋ยวคุณแน่นอนเลยคุณเรียกสมาร์ทโฟนของคุณมาเลยนะฮะแล้วถึงจะเข้าใจเรื่องจิตก็คือว่าคุณนั่งอยู่งี้นั่งฟังทีฉันพูดถูกป่ะกำลังฟังอยู่ใช่ปะ ใช่นะกาลังตีความหมายความหมายนี่ก็คือคุณขยายความคิดขณะที่คุณตีความคิดเนี่ยความรู้สึกมีไหมมีหรือไม่มีมีเดี๋ยวฉันจะบอกให้นะคนเราเนี่ยถ้าคุณไม่ไม่ได้ฝึกหลวงพ่อเทียนเนี่ยจ้างคุณก็ไม่เคยรู้สึกหรอกเพราะอะไรเพราะคุณจะเชื่อความคิดเพราะในความคิดมันมีเหตุผลแต่ว่าคุณไม่เคยเชื่อความรู้สึกถูกไหม กว่าคุณจะผ่านความรู้สึกมาได้เนี่ยเบื่อถ้าตายถูกไหมความเบื่อมันอยู่ที่สมองแต่ความรู้สึกมันอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนอยู่ที่กายแต่ความเบื่อมันส่งมาจากสมองความเบื่อความหงุดหงิดความลำคาญความโกรธความโลภอยู่ที่ไหนส่งมาจากไหนความคิดถูกปะถูกไหมฮะนะเพราะฉะนั้นถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเนี่ยมองเห็นว่าความคิดกับความรู้สึกอ่ะมันไม่เห็นเกี่ยวกันเลย ขณะเนี้ยดิฉันพูดคุณกําลังคิดอยู่ใช้สัญญาฟังภาษาของดิฉันคุณยังรู้สึกอยู่ป่ะเห็นไหมนี่คือบทพิสูจน์ง่ายๆว่าความความคิดไม่ใช่แต่ทํำยังไงที่คุณจะมองเห็นว่าความรู้สึกของเราอ่ะพุทธเจ้าว่าสําคัญกว่าความคิดเนี่ยไอเนี่ยคือปัญหาเพราะเราจะไม่เคยเชื่อถ้าหากว่าเดี๋ยวบอกว่าเดี๋ยวจะจับเงินล้านตรงเนี้ยให้ทุกคนเนี่ยมาเนี่ยเดี๋ยวไม่ชีจะให้เงินล้านเชื่อไหมคุณ เอาไว้ก่อนไอความรู้สึกที่เมื่อกี้จะอธิบายเนี่ยเอาไว้ก่อนจะไปจับไอเงินล้านเนี่ยก่อนเพราะว่าเราจะจับฟรีถูกปะไอนี่ดีเห็นไม่ได้พูดดูถูกนะเรื่องจริงปะเพราะว่าเราก็ต้องไปจับไอเอาเงินเนี่ยที่เอาได้ไว้ก่อนเพราะเราเชื่อว่า ก็แล้วแต่บุญใครนะของจับฟรีดิันเห็นว่าเวลามันจับฉลา ก, กันอย่างเงี้ยมันเอาทุกคนอนะเงินพันเงินหมื่นเงินอะไรเอาทุกคนไม่เห็นมีใครไม่เอาแล้วแต่ว่าใครจะโชคดีถ้าโชคดีก็คิดว่าตัวเองมีบุญนะคะเราวนี้เราดูนะนี่นี่จะพูดอว่าพูดพูดว่ารู้ซื่อนะถ้าหากว่าเราสามารถที่จะจับความรู้สึกของเรานะ่แล้วเราแยกความรู้สึกตัวเนี้ย เนนมืม่อกี้ดิฉันแยกมนฑสิกาให้ให้ท่านดูแล้วนะแต่ถ้าหากว่าเราสามารถแยกไปได้เรื่อยๆเรื่อยๆจนกระทั่งเราไม่มีความคิดเพราะว่าความคิดเนี่ยเมื่อมันมีเมื่อไหร่เนี่ยโอกาสที่คุณจะอยู่ตรงนี้อยู่ความทุกข์เนี่ยมีมากเลยโอกาสที่คุณจะอยู่เส้นนี้มีมาก <Evet. S 1> เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเมื่อไหร่เรายังมีความคิดอยู่เนี่ยโอกาสที่คุณจะมีอวิชชาเข้ามามีความทุกข์เนี่ยมีเยอะมากเลยยกเล้น คุณต้องมีสติจริงๆแล้วคุณยกธรรมวิจยะมีตัวเดียวที่ที่ช่วยช่วยคุณได้คือสัมโพชงแต่ว่าถ้าหากว่าเมื่อไหร่มีความคิดเนี่ยโอกาสที่คุณจะขึ้นเส้นเนี้ยเกือบไม่มีเพราะว่าเราจะใช้ความคิดของเราเนี่ยเวลาคุณนั่งสมาธิรู้ได้ยังไงว่ามีความคิดหรือไม่มีความคิดลองถามสิคุณรู้ได้ไงคุณรู้ได้ไง สมมติเรานั่งสมาธิวันนี้ดีมากเลยคุณรู้ได้ไงว่ายังมีความคิดอะไรนะสมมติเราหูวันนี้มันสุกมากเลยมีความคิดจิตโล่งเลยความคิดอยู่ที่ไหนความคิดอยู่ที่ไหนมันอยู่ที่เรารู้ว่าเราจิตโล่งนี่แหละ คือตราบใดถ้าคุณยังเอาภาษาเข้าไปอยู่ในจิตเนี่ยก่อนที่ภาษามันจะมาเนี่ยมันจะมีความรู้สึกที่รู้ซื่อๆก่อนเหนือภาษาจากนั้นเนี่ยมนุษย์เรามันแปลกนะเพราะมันรู้เนี่ยไม่เชื่อคุณนั่งนั่งสิคุณยังไม่ทันรู้แต่เมื่อไหร่ก็ตามพอดิฉันบอกให้คุณรู้คุณจะเอาความคิดจอลองไปทันทีเลยไม่เชื่อสังเกตดูครั้งแรกมันจะรู้ซื่อๆก่อนแต่ว่า เมื่อดิฉันชี้ไปปั๊บคุณจะเความคิดจาะไปทันทีเลยเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราเนี่ยทําสติทําจิตได้ดี ๆ, ๆโล่งเนี่ยมันยังไม่มีความคิดแต่เดี๋ยวทนะมันจะเกิดความดีใจอ่ะว่าวันนี้ทำไมนะสมาธิดีใช่ไ่มสติดีมันจะเข้ามาละความคิดโอ้โหวันนี้ทําไมสตปเราดีเนี่ยคือการลงความเห็นคุณจะลงความเห็นแล้ววันนี้ฉันทําได้ดีไหม ได้ดีถ้าคุณถ้าทำไม่ได้ดีคุณก็ลงความเห็นว่ามันไม่ได้ดีแต่ไม่ได้ดีคนไม่คอยอยากได้พอคุณลงความเห็นว่ามันไม่ได้ดีคุณก็ปิดรู้ซื่อของหลวงพ่อเทียนเนี่ยคือที่ดิฉันเข้าใจไม่ทราบเดี๋ยวผิดถูกให้หลวงพ่อแก้ไขเอาแล้วกันก็คือเมื่อไรก็ตามเวลาที่เราเนี่ยยังไม่มีความคิดแทรกแซง <c oughs> ความรู้สึกทุกอย่างเนี่ยรู้ซื่อทั้งนั้นแต่ว่าความรู้ซื่อเนี่ย เพียงแต่ว่าคุณจะมีปัญญาที่มันจะรู้ซึง้งอย่างเช่นว่าคุณขุดแร่แร่มาแร่เบลเลอร์เลยทยี่นั่นน่ะมันมีทองอยู่คุณรู้ซื้อๆคุณก็รู้ว่ามีแร่อยู่ในกองเนี้ยแต่ยังไม่ได้ขุดเนี่ยก็รู้เรียกว่ารู้ซื้อๆแต่พอขุดออกมาแล้วคุณต้องใช้ความพยายามใช่ไหมขุดออกมาต้องใช้ไหมใช้วิธีการคุณถึงจะรู้ว่าเออเราได้ทองเป็นเจ้าของทอง แต่ว่าก่อนที่คุณจะไปได้ถึงตรงนั้นน่ะมันเวลาที่เราจะได้อะไรเนี่ยส่วนมากเรามักจะลิงโลดใจและเราก็ลงความเห็นน ะ, ล ง, นนะะลงความเห็นนะถ้าเมื่อไหร่ลงความเห็นคุณก็ปิดรู้ซื่อของหลวงพ่อเทียนไม่ได้แปลว่าผิดนะแต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่จิตเนี่ยมันลงความเห็นว่าอันนี้เป็นอะไเนี่ยคุณก็ปิดรู้ซื่อของหลวงพ่อเทียน อ, อยาหลวงพ่อแก้แก้ด้วย <laughs> ว่าไงฮก็คือว่า <Hopkins> พ <im itation> <G bulun> ูด no ง่ายๆว่าเราตาบใดที่เรานั่งอยู่เนี่ยแล้วเรายังไม่มีความคิดแชกแสงเรายังไม่ลงมติว่าโอ้โหวันนี้สุดยอดความเพียรก็ยอดโปรงโล่งสมาธิก็ดีความรู้สึกอะไรอย่างเงี้ยถ้าคุณยังไม่ลงความเห็นนะคุณก็ยังอยู่อยู่ที่จิตหลวงพ่อเทียน และมีโอกาสที่จะแยกลัตนะชาติในจิตของคุณได้เพราะว่าล่มซื่อของหลวงพ่อเทียนเนี่ยถ้าหากว่าเราเอาปัญญาเข้าไปอีกนิดนึ่งนะเข้าอีกนิดหนึง่งมันก็ขึ้นกับาอธิษฐานจิตคุณจะแยกธรรมะพวก น, นี้ได้นี่คือความเชื่อของดิฉันหลวงพ่อว่าไงคะเพราะฉะนั้นเนี่ยดิฉันจะบอกให้นะว่าดิฉันเน่จะมีเคล็ดลับในการที่จะไม่ให้จิตเนี่ย มันมันแหย่มมาคิดมากหรือลงความเห็นมากนักอ่ะเพราะว่าดิฉันเป็นคนคิดเก่งเขียนหนังสือมาสิบสามเล่มแล้วนั่นเนี่ยพวกนี้มันใช้ความคิดถึงนั้นอะ่ะนะฮะแล้วแต่ว่าเราต้องเข้าใจว่าอันเนี้ยมันเป็นสมมุติเวลาเราเขียนนี่มันเป็นสมมุติน ะ, ะถ้าเราเข้าใจแบบเนี้ยไม่ต้องกลัวหรอกว่าเราจะหลงเพราะเรารู้ว่าเนี่ยคือสมมุติ ขะ ท, ที่นั่งติดต่อกันคุยพูดกับท่านเนี่ยเราก็รู้สึสมมติอยู่แต่ในสมมุตินั้นอ่ะมันก็มีปรมัตดด้วยก็คือว่าเราพยายามตั้งความรู้สึกตัวเอาไว้นะคราวนี้เราดูนะฮะถ้าหากว่าเราเนี่ยเอาทุกคนรู้สึกเงียบไหมนั่งลงเงียบไหมเงียบเอานั่งนั่งนั่งให้เงียบ เรารู้สึกข่านั่งอลองสิฮะลองที่ดิฉันบอกเพราะว่าคุณทำสติของหลวงพ่อเทียนมาเยอะแล้วลองดูสิว่าคุณสามารถที่จะเข้าเข้าเส้นนี้ได้ไม้มดิฉันจะลองดูเข้าเส้นนี้คุณทำมาตั้งหลายวันแล้วสติมันน่าจะเยอะสติแปลว่ากุศลนะฮะกุศลแปลว่าเมื่อกี้เนี่ยที่พูดเนี่ยสิบเก้าตัวถ้ากุศลแล้วจับปัญญาอีกนิดเดียวเท่า น, นั้นแหละเธอจะได้ สติปัญญาซึ่งเหลือเชื่อตอนนี้เราทําสติยังไม่มีปัญญาเท่านั้นเองเพะปัญญาเนี่ยเนี่ยเห็นหรือเปล่ปาฮะมันอยู่คนละเจตสิกกันปัญญาอยู่ตัวนี้คนที่มีสติไม่ได้แปลว่าคนมีปัญญานะเพราะสติมันแปลว่าคุณธรรมเป็นคนมีคุณธรรมอาจจะเป็นคนอ่อนน้อมเป็นคนทำตัวอะไรก็ตามแต่ไม่มีปัญญาคนหลอกได้นะฮะ เพราะว่าปัญญามันอยู่คอนเจเตสิกห้ามถามเลยนะเรื่องพวกนี้พระเจ้าตรัสรู้ถ้าคุณถามคําถามของพระเจ้าคุณต้องไปขุดพระพุทธเจ้ามาถามเองเพราะดิฉันเชื่อตามนั้นของอะไรที่เกี่ยวกับพระพุทธเจ้าดิฉันจะไม่ถามถ้าเราเข้าใจยังไม่ตรงก็ถือว่าเราผิดนี่คือหลักการของดิฉันเมื่อไร่เราเข้าใจตามนั้นไม่ได้แยกไม่ได้คุณยังโง่อยู่ ไม่มีการเปลี่ยนไม่มีการถามห้ามถามห้ามเถียงด้วยคุณได้แต่นี่คือการที่เราต้องเชื่อว่าท่านต้องไม่ผิดแล้วพระสงฆ์ที่ต่อ น, นี้มาต้องไม่ผิดถ้าผิดแล้วต่อมาสองพันหกร้อยปีไม่ได้ต้องเชื่อแบบนี้นะคะคนนี้อ่นั่งรู้สึกเงียบเดี๋ยวจะทดสอบดูสักนาทีหนึ่งให้รู้สึกเงียบ เงียบกันนะฮะคุณจะเห็นว่าถ้าเรารู้สึกเงียบเนี่ยจากนั้นคุณดูสิทําอย่างนี้ได้ไหมรู้สึกว่าทุกอย่างเนี่ยความรู้สึกของเราเนี่ยมันมาจากความเงียบได้ไหมลองดูสิฮะความเงียบมันไม่ขึ้นกับอะไรนะถ้าเมื่อไหร่คุณเข้าใจคําว่าไม่ขึ้นกับอะไรน่ะชีวิตคุณเลิกละบาททันทีเลยไอ้ที่มันระบากทุกวันเนี่ยเพราะคุณไม่เข้าใจคําว่าไม่ขึ้นกับอะไรเพราะชีวิตเราเนี่ยทั้งชีวิตเลยมันขึ้นกับอะไร นี่อันนี้เป็นศนาธรรมเลยนะคุณจําคํำดีท่านไว้เลยเมื่อไหร่คุณไม่เข้าใจคําว่าไม่ขึ้นกับอะไรชีวิตคุณพ้นจากความลําบากทันทีเลยแต่ว่าคุณทําไม่ได้เพราะชีวิตมันมีเงื่อนไขขึ้นกับอะไรมากมายมหาศาลนี่แหละมันทําให้ชีวิตคนลําลบากแล้วยิ่งสมัยเนี้ยเงื่อนไขมันเยอะมันทําให้คนเนี่ยตกจบ จมลงไปในในเอซเน่ของไอ้สมาร์ทโฟนเนี่ยแย่ที่สุดมันทําให้คนเกาบอกแล้ววันเดียวมันเจ็ดล้านเครื่องอะคนแล้เครื่องมาเป็นหลายหมื่นนะได้ามาทําบุญวั ล, ละร้อยมันกากเลือกตายเอาเอ า, เอานั่งลงนะนั่งเดี๋ยวเดี๋ยวจะไม่ไปสมาร์ทโฟนแล้วนั่งตรงตรงรู้สึกไหมรู้สึกว่าทุกอย่างเนี่ยมันเพิ่ง พดูมาเหมือนเหมือนกระดาษขาวเนี่ยเธอจากนั้นเนี่ยเธอขีดเส้นลงไปเส้นแบบเส้นหิสออะไรก็ได้มันขึ้นโผล่มาอย่างเงี้ยอยากให้รู้สึกแบบนั้นได้ไหมลองดูสิคือคือดูความรู้สึกใหม่ๆความรู้สึกเนี่ยพอมันขึ้นมาแล้วเนี่ยมันจะสลายไปสลายไปอย่าไปสนใจการสลายสนใจว่าทุกอย่างมนรู้สึกได้ไหมอันเนี้ยเรียกว่าสติครานี้ คุณดูดูอีกอย่างนะคุณดูนะอนุอย่าหลับลุกนี่คุณคุณดูนะดิฉันจะทดลองกดคุณง่ายๆว่าคุณได้ยินเสียงดิฉันเนี่ยทีละคำัหมได้ยินทีละคำัหมดีฉันพูดทีละคำหรือเปล่าอ่ะมีใครตอบมั่งพูดทีละคาหรือเปล่าพูด แล้วมันดับไหมคุณอย่าฟังดิฉันพูดได้ไหมคุณฟังความดับลองลองกำหนดสักนาทีหนึ่งสิอย่าฟังเลยว่าดิฉันพูดอะไรฟังแต่ว่าสังเกตว่ามันดับให้สังเกตว่าเสียงทุกอย่างรวมทั้งเสียงรองไสใจของเราด้วยมันมีเส้นดับเส้นดับ คุณจะคันคุณจะเหนื่อยคุณจะอะไรจะมีเส้นดับของมันสังเกตดูสักหนึ่งนาทีถ้าเราสังเกตได้เนี่ยเราจะพบว่าความรู้สึกเนี่ยมันมีน้อยแต่ความดับมันมีเยอะส่วนไอ้ความปรุงไม่เป็นไรนะเพราะว่านั่นคือว่าเราคุ้นเคยกับการปรุงเอาคำพูดไปปรุงเราไม่นับอันนี้คือความคิดแต่ถ้าหากว่าคุณรู้สึกแล้วเราได้ยินความดับดับดับดับ ไม่ยินเสียงนี้ฉันดับคุณดูคุคุณจับตัวนี้ให้ได้จับความดับให้ได้ไม่ต้องสนใจเหตุผลจ่าหัวมันจับความดับให้ได้ถ้าคุณจับเสียงของดิฉันดับไม่ได้เนี่ยนะคุณจับเสียงหัวใจของคุณลมหายใจของคุณตรงเส้นดับถ้าคุณทําแบบนี้นะสักพักหนึ่งจิตมันจะรวมเร็วนี่คือความหลับไม่เชื่อไปไปทําถ้าหากว่า เมื่อเมื่อคุณได้ได้จุดนี้แล้วถามว่าอันนั้นคืออะไรถ้ามีความดับความดับนั้นคืออะไรความรู้ซื่อของคุณจะอยู่ของยงคงประพันธ์ถ้าคุณสังเกตว่าทุกสิ่งทุกอย่างมาจากความดับมันจะอยู่มันจะอยู่ได้นานมากเลยความรู้ซื่อมันไม่มีความคิดแทรกแซงนี่คือสิ่งที่ดีฉันชํชนานาญนะแล้วทําอยู่ที่บอกเนี่ยมาเป็นเคล็ดที่ดีฉันทําอยู่ก็บอกให้ แต่ว่าถ้าใครทำได้ก็อนุโมทนานะเพราะว่าแต่ถ้าใครทำไม่ได้ก็ช่วยไม่ได้เพราะว่าบางทีมันต่างคนต่า ง, ต, างต่างวิธีการเพราะฉะนั้นเราจะสังเกตดูว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเราสังเกตความดับดับดับเนี่ยในที่สุดเนี่ยเราจะมีความชำนาญในการที่จะเห็นความดับมากกว่าความความเกิดขึ้น แล้วเราจะพบว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยความอัศจรรย์มันอยู่ที่ความดับมันไม่อยู่ที่ความเกิดทั้งหลายทั้งปวงในโลกเนี้ยเนี่ยตั้งแต่เมื่อกี้เนี่ยสวดมนต์นมาดับไปหมดยั ง, ห ม, ยยงหมดแล้วยังหมดแล้วหมดแน่หรือความรู้สึกของคุณเนี่ยทั้งหมดเลยประวัติความรูส้สึกประสบการณ์นในชีวิตของเราดับไปหมดหรือยังดับหมดหรือยังตอบดับหมดแล้วใช่ไหมอ่า เมื่อกี้บอกว่าดับหมดแล้วเนี่ยดิฉันจะถามคุณตั้งตัวให้ดีนะคุณมีภรรยาหรือเปล่ายังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าเนี่ยค่ะอยู่กันมากี่ปีแล้วอ้าเห็นไหมภรรยาคุณมายัง ม, มาแล้วเมื่อกี้อยู่ที่ไหนอ๋อไม่ใช่เมื่อกี้ที่ก่อนถามมาไม่ได้อยู่ข้างหลังอยู่ที่ไหนของจิตคุณ ไม่ใช่ค่ะคุณดูดีๆคุณยังไม่ได้คิดเลยเพราะคุณไม่รู้ว่าดิฉันจะถามอะไรคุณมีลูกปะ่ะลูกไหมยังฉันจะถามคุณกับเรื่องลูกกับลูกไายัางจะสามารถตอบคำถามเรื่องลูกได้ยังเอาตอบสิตอบได้แล้วเออสามารถจะตอบได้แล้วใช่ไหมอ่ะแล้วเมื่อกี้ความรู้เรื่องลูกของคุณอยู่ที่ไหน ไม่มีอยู่มันเหมือนสมาร์ทโฟนเลยคุณกดแอปพลิเคชันมันมาเลยถามมก่อนกดมันมาอยู่ที่ไหนไม่มีนี่เขาเรียกความว่างคุณเก็บประสบะการณ์ไว้ในความว่างตลอดไม่ได้มีความคิดความคิดนั่นมันเป็นภาษาไอ้นั่นคือตอนที่คุณอยากอธิบายรหักมันถึงจะออกมาแต่ตอนที่คุณเอาประสบการณ์ออกมาเพาิ่ะมันไม่ใช่ภาษาคุณยังไม่ทันคิดภาษาถูกปะ ถือไม่ถึงฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณคิดว่าทุกอย่างดับเหรอแต่ประสบการณ์มันมีจริงไหมมีจริงหรือไม่จริงฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยดิฉันถึงได้บอกว่าคุณลองดูทีวีดี ด, ดูนิยายไทยมีเรื่องเดียวพระเอกกับนางเอกเรื่องเรื่องเรื่องเดิมเรื่องเดียวตั้งแต่สร้างประเทศมามันก็สร้างเรื่องเดียว <c oughs> คือหนังรักแล้วก็พระเอกยังไงแต่ว่าถ้าถ้าเราดูดีๆเนี่ยทีวีเนี่ยเดี๋ยวมันจะตัดเรื่องพระเอก เดี๋ยวตัดเรื่องเรื่องของผู้ร้ายแต่ว่าเราสามารถที่จะเอาเรื่องผู้ร้ายเนี่ยไปจับช่องผู้ร้ายถูกไหมถูกไม่ถูกรู้เข้าใจที่คุณย่าพูดปะไม่เข้าใจดูกระตูนนะรู้เรื่องเป่า <laughs> ก็คือเวลาที่เราดูเนี่ยเขาบอกข้อมูลของพระเอกมาเดี๋ยวบอกข้อข้อมูลของผู้ร้ายสลับกันถูกปะแต่ว่าพอข้อมูลของผู้ร้ายเราเอาผู้ร้ายเนี่ยไปใส่ไปใส่เรื่องของผู้ร้ายถูกไม่ถูก ถูกไหมถูกถ้าถ้าเอาข้อมูลของน้องเอกเดี๋ยวสลับมาก็ใส่ข้อมูลของน้องเอกถูกไม่ถูกเนี่ยแหละฮะมันเป็นเรื่องอัศจรรย์ของกฎธรรมชาติของที่มันเป็นข้อมูลอย่างเดียวกันมันลงไฟล์เดียวกันเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าถึงว่าระวังความคิดนะคุณคิดได้ดีๆมาลงไฟล์เดิมถ้าคุณคิดว่าโอ๊ยไอ้ลูกเราเป็นยังไงคุณคิดไม่ดีกับลูกมันก็ลงไฟล์เนี้ย ไฟให้ลูกคุณเนี้ยคิดกี่ครั้งยังไม่รู้วันหนึ่งคิดเป็นห่วงลูกกี่ครั้งยังไม่รู้มันจะลงไปเพิ่มเพิ่มเพิ่มคุณจะเพิ่มความวิตกุกงวลในไฟล์เนี้ยไฟล์ไฟล์ ไ, ฟไปว่า f i l e อ่ะก็คือแฟมนี้ในแฟมนี้เข้าใจใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าคนเราเนี่ยรู้ไม่ทันความคิดแล้วก็เด็กสมัยเนี้ยรู้ไม่ทันความคิดมันคิดเพอ้อเจ้อไปเนี่ยถามว่าใครรับผิดชอบ ตัวเจ้า ต, ตัวต้องรับผิดชอบเพราะทุกอย่างต้องไปตามกฎแห่งกรรมคุณคิดมันบ่อยๆกรรมมันแรงเขาถึงให้เราคิดพุดโทโธเพื่อให้พุโทโธมันแรงกว่าไอความคิดที่มันเป็นไม่ได้เรื่องของเราอะ่ะเข้าใจใช่ไหมให้มันแข่งกันที่พูดแค่นี้ยดิฉันจะเลิกแล้วนะฮะก็คือว่าเข้าใจไหมฮะที่พูดเนี่ยก็คือความคิดเนี่ยมันน่ากลัวที่สุดพระเจ้าถึงได้บอกว่าเจตนาหั่งพิฆเวเกับมังจงระวังความคิด เพราะว่ามันสร้างกรรมงัม้นคนเราเนี่ยเวลาฝึกสติเนี่ยจึงจึงต้องหลวงพ่อเทียนเนี่ยจะให้มาฝึกที่กายก่อนเพื่อให้มันเห็นความคิดชัดเพราะว่าถ้าเราจับความคิดเราได้นะเราจะกลัวกลัวมากที่สุดคือกลัวความคิดเราเองเราไม่ได้กลัวคนอื่นนะคนที่แย่ที่สุดนะ่ะที่มันจะนาสิ่งชั่วร้ายมใ ห, ให้ให้เรามากที่สุดก็คือตัวเราเองคือความคิดของเรานี่แหละ ถ้าเราคุมตัวนี้ไม่ได้เนี่ยคุณยากที่จะเข้าใจจิตของหลวงพ่อเตียนนะนี่คือความเชื่อของดิฉันดิฉันจะจบแค่เนี้ถ้าใครจะมีอะไรสงสัยก็เขียนมาถามได้เลยเดี๋ยวให้หลวงพ่อเสริมมีมีกระดาษอยู่นะฮะใครอยากถามอะไรเดี๋ยวเดี๋ยเ๋ยวหลวงพ่อช่วยถามนามนะก็แล้วแต่ว่าคือนามเนี่ยนะฮะถ้าหากว่าเราไปฟังเป็นเรื่องเป็นราวอะนามมันก็มันจะเกิดขึ้นทันทีเลยดิฉันคิดคิดว่า ถ้าเราดูดับดับเนี่ยอย่าไปสนใจรูปนามเลยทั้งรูปทั้งนามมันดับคือถ้าเราดูความดับของมันเนี่ยเราดูความดับของมันเนี่ยอย่าไปดูว่าอะไรเกิดถ้าดูอะไรเกิดเนี่ยแสดงว่าจิตเ น, น่ยมันมีจุดตั้งต้นนี่คือความเข้าใจของดที่ฉันะถ้ามันมีจุดตั้งต้นอ่ะเดี๋ยวตัวกูมันก็เข้ามาแทรกแซงอวิชามันก็เล่นงานถ้าหากว่ามีแต่ความดับไม่ต้องพูดรูปรูปนามทั้งนั้นเลยให้เห็นว่ามันดับ ไม่ไม่ฮะเนี่ยถ้าอย่งงาง น, นั้นผู้ผิดละคือเข้าใจคนละอันประเด็นความดับเนี่ยนิโรธแปลว่าอย่างเราเห็นเทียนดับเห็นไหมใช่ไหมจุดจุดจุดเทียนดับถามว่าความดับเนี่ยมันมีอะไรดับมันก็คือไอ้ตัวดับเนี่ยตัวเนี้ยมันเป็นโลกุตละธรรมมันเป็นความมหัศจรรย์ว่ามันดับทุกสิ่งอะโลกุตละธรรมเป็นสิ่งที่มันดับทุกอย่าง เสียงเราก็ต้องดับก่อนส่วนจิตของเราจะไปต่อว่ามันเป็นภาษาอะไรนั่นเป็นเรื่องของความวิจิตของจิตเราเองแต่จริงๆแล้วไม่มีอะไรในโลกนี้ที่ว่ามันจะอยู่ได้ยาวคุณดูความรู้สึกหรือความอะไรเนี่ยมันมันสั้นหมดเลยมันจะถูกดับอยู่อยู่ในในสิ่งที่มันเป็นพื้นนั้นพื้นของจิตเนี่ยเอพื้นของโลกเราเนี่ยมันเป็นพื้นที่ว่าไม่เกิดไม่ดับ ส่วนเกิดดับเนี่ยมันเป็นจำนวนถ้าหากว่าเราตั้งตั้งจิตของเราว่ามันมีอะไรเกิดความดับอันนั้นมันเป็นการดับของรูปนามแต่ของที่ฉันหมายถึงว่าสิ่งทั้งหลายเราเราพลิกไปดูนะเขาเรียกอัปไซ์อัปไซรูปนามก็คือคุณพลิกจากรูปนามนะไม่ต้องไปสนใจรูปนามเพราะไม่นั้นกระแสมันจะอยู่นี้มันกระแสมันจะอยู่ที่ที่อวิชชาอยู่ตลอดเพราะว่ารูปนามมันเล่น ง, งานตัวนี้ แต่ถ้าหากว่าเราจะพูดถึงความดับเราอยากจะให้มันขึ้นตัวนี้เราต้องสังเกตว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันมันดับตลอดอ่ะไม่เห็นมีอะไรเกิดเลยยกเว้นเราต้องสมมุติให้มันเกิดเนี่ยอย่างอย่างความรู้สึกของคุณเนี่ยเวลานั่งต้องเอาความรู้สึกนะเพราะความคิดของคนเนี่ยมันมีสัน ต, ติมันคิดพลาดเข้าไปเดี๋ยวหาเหตุผลไอ้ตัวนี้ไม่นับนะฮะ แต่ความรู้สึกเนี่ยจะสังเกตเห็นว่าเห็นไหมเพรความรู้สึกตรงโน้นตรงนี้เนี่ยมันมันความรู้สึกมันไม่กว้างมันมีวงแคบๆถามว่าทาไมความรู้สึกมันถึงแคบเพราะว่ามันไปเจอนิโรธความดับนี่คือคมตอบของเด็นี่นิโรธเนี่ยมันไม่ขึ้นกาลอะรนรฮะมันเป็นฐานที่จะทำให้ไฟก็ต้องดับชีวิตเราก็ต้องดับไม่มีอะไรในโลกนี้ดับไม่ดับ นั่นคือฐานไม่ได้ไม่ไม่ได้แปลว่าความเกิดขึ้นเนี่ยมันตั้งอยู่ดับไปไอ้นั่นคือความดับของของของความคิดหรือความเชื่อแต่ถ้านี้โลดเนี่ยมันเป็นฐานที่มามันจะทำให้สิ่งทั้งหลายในสกนากลจักรวาลเนี่ยไม่มีอะไรที่อยู่ได้ต้องดับแปลว่าอะไร ความว่างแปลว่ามีทุกอย่างเนี่ยความว่างในศาสนาพุทธนะค่าความว่างเนี่ยถ้าถ้าถ้าคุณเข้าใจจิตรู้ซื่อได้เนี่ยแปลว่ามันมีทุกอย่างความว่างคือมีทุกอย่างคืออย่างเมื่อกี้ที่เดียนบอกว่าคุณต้องการอ่ารู้ไหมว่าคุณมีประสบการณ์กับลูกท่านแดนนั้นก็ออกมาเห็นไหมมันมีละแต่ถ้าหากว่าไม่ต้องการมันเรากลับไปกลับหกลับละ ความว่างคือมีทุกอย่างอันี่คือความว่างสุญญาตานะฮะในความบาันถ้าคุณบอกไม่มีอะไรต้องว่างแบบวิทยาศาสตร์เน่ยไอโฟนเนี่ยเวลาเราจะทําให้มันเกิดไอโฟนเนี่ยเราจะเอาซิลิโคนไปใส่ความว่างแว็กซมเพื่อไม่ให้มันมีอะไรเพราะฉะนั้นความว่างของรูปเนี่ยเวลาที่บังคับให้มันไม่มีอะไรเนี่ยมันจะเกิดความเป็นระเบียบแล้วเราจะบังคับมันได้อันนั้นคือความว่างของรูปเป็นความเชื่อของนักวิทยาศาสตร์ แต่ความว่างเนี่ยของจิตเนี่ยแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันมีแม้กระทั่งคุณบอกว่าเป็นโรคไอเซมเมอร์ว่างหรือไม่ว่างเต็มไปด้วยความความรู้สึกอันนี้เป็นเรื่องลึกนะฮะไม่ลึกอะ่ะมันก็เรื่องตืง้นๆถ้าคุณสามารถจะเชื่อได้ถ้าคุณเชื่อได้เนี่ยถามว่ามีประโยชน์อะไรคุณใช้เส้นนี้ได้ตลอดเลยนั่งสมาธิไปดิเห็นนั่งสมาธิเนี่ยไม่ไม่ไม่เคยมีความทุกข์นะ เดี๋ยวจะหาว่าโม้ไปไม่มีเน็บไม่มีอะไรนั้นอ่ะเพราะเราใช้เส้นนี้ไม่ไ ม, ไม่ไม่มีเวทนาเกี่ยวข้องถ้าเส้นนี้อ่ะคุณมีเวทนาคุณพยายามดับดับอะไรเนี่ยเดี๋ยวเวทนามาล้วแต่ถ้าคุณเข้าใจนิโรดนิโรธสัญญาเนี่ยไม่มีนะคุณนั่งไปเหอะไม่มีนะมันมาไม่ได้เพราะเราใช้เส้นนี้อยู่เอ้ยความคิดนี่ตัดไม่ได้ฮะให้รู้ทัน คือตัดมันเป็นสำนวนสำนวนที่เราชอบพูดกันนะแต่จริงจริงแล้วความคิดนี้ต้องรู้ทันถ้าถ้าถ้ารู้ทันเนี่ยก็เท่ากับว่ามันก็ดับแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้ารู้ไม่ทันมันก็จะไปเรื่อยเรื่อยเพราะว่ามันจะมีพลังของมันเองหมุนให้เราคิดไปเรื่อยเพราฉะนั้นความคิดเนี่ยถ้ารู้ทันแล้วเราจะรู้ทันมันได้ยังไงคุณต้องรู้กลไกของจิตว่าความคิดมันอยู่อมันเกิดไม่ได้มันต้องมีตัวไปเหนียวมาเหมือนอย่างเมื่อกี้ดิฉันเหนียวให้ดูอะ มันถ้าคุณเข้าใจตัวนี้ว่าความคิดอยู่ๆมันไม่เกิดหรอกคุณไปเหนี่ยวมันมาฉั้นถ้าเรารู้วิธีเหนี่ยวเนี่ยเราจะคอยดูว่าเฮ้ยอย่าเหนี่ยวอย่าเหนี่ยวมาแล้วกันเหมือนเราเราแอปพลิเคชันเนี่ยคุณอย่าอย่า ก, กดแอปมามันก็ไม่มีความคิดหรือมีน้อยมากแล้วถ้ามีเราก็หลบได้อย่างนี้ฮะมันขึ้นกับความชนานาญว่าคุณจะอยู่กับรู้ซื่อได้นานแค่ไหนคุณสามารถจะหลบความคิดได้นี่นี่คือความเชื่อของดิฉันนะแต่ว่า ความเชื่อเนี่ยก็ฟังหูไว้หูกลละมะสัสุดสิบเพราะที่นมานอยาทําทำได้อีท่านนี้แหละอยากจะให้ท่านคอมเมนต์ก็อนุโมทนาสาธุในกุศลและจเจตนาที่ได้มาให้แสงสว่างนะเพิ่มเติ ม, ตมคือบางทีเราพาันฝึกเนี่ยเพื่อที่จะใหะ้ตัวจิตของเราได้รวม เมื่อรวมแล้วเมื่อมีผู้ใดมาชี้อะไรให้เห็นเนี่ยเราก็จะเห็นได้ง่ายขึ้นเพราะว่าเหมือนกับว่าเราป ฏ, ป, ฏปฏิบัติเนี่ยมาทําให้ดวงตาให้สว่างเมื่อมีผู้มาชี้อะไรว่าเออตรงนี้เป็นนกตรงนี้เป็นไม้ตรงนี้เป็นต้นอะไรเนี่ยเราก็จะมองได้ทันทีเพราะในการที่เรามาปฏิบัติเนี่ยครว่ามาทําตาให้สว่างเปิดดวงตาก่อนแล้วท่านผู้รู้ทั้งหลายก็คือผู้ที่ อย่างเข้าไปในป่าเนี่ยพราเรามีดวงตาเท่า น, นั้นพอผู้รู้เข้า่าจะแนะนำว่าเออนี่ตุลสักนานี่ตุลนะแดงเนี่ยตุลเต่งเนี่ยตุนหลังเนี่ยแล้วก็จะรู้ทันทีทพราเรามีดวงตาเป็นคุณสมบัติแล้วเช่นเดียวกันต่อไปเมื่อไ ด, ได้ได้ดวงตาแล้วเนี่ยเราไปฟังผู้รู้ท่านใดชี้อะไรเราก็จะรู้จักได้ทันทีอันนี้คือประโยชน์ทของการมาเจริญตัวซื่ อ, อเพื่อให้มาเปิดดวงตาจึงขออนุมโมทนาในความตั้งใจที่มาชี้ท่านก็ชี้หลายประเด็น ทีนี้ม า, าติดใจยอย่างว่าประเด็นที่ว่ า, ารู้ซื่อแล้วก็เบอร์เจ็ดไม่รู้ว่าหลายท่านฟังตามทันไหมหมายถึงรู้รอย่างไรรู้ซื่อเบอร์เจ็ดตามทันไหมาภาวนาไม่เยอะในทีนี้จะหมายถึงตัวยะถาภูติยานทัศนะด้วยหรือเปล่าพอ น, นะพญานับขึ้นนะหนึ่งศรัทธาสองประโมทสามปีติสี่ประชธิ ห้าสุขหก ส, สมาธิเจยถาปุถยานรวมเข้าไปอย่างนี้โลกนี่ละคะในรู้ชื่อคือยถาปูถยานทัศนะเห็นตามความเป็นจริงเห็นตามที่มันเป็นน่ะเรียกว่ารู้ชื่อคือมันเป็นอย่างไรก็เห็นอย่างนั้นเรียกว่ายถาปุถยานเ <ๆ S 2> พราะฉะนั้นในวิธีการฝึกลวงพเดลรู้ชื่อหมายถึงตัวนี้นะหมายถึงยะถาปุถยานทัศนะซึ่งไม่ใช่ธรรมดาในแง่ของปริยัติ แต่ว่าเราจะไม่ให้ความหมายกันก่อนเพื่อเราเดี๋ยวไปสาคัญผิดเป็นเรื่องอื่นอ่าแต่ว่าเมื่อมาชี้มาชี้ชัดอย่างนี้เราก็จะมั่นใจมากขึ้นเราก็จะมั่นใจในตัวซื่อๆมากขึ้นคือรักษาให้จิตซื่อๆตรงๆเนี่ยเอาไว้ก่อนอย่าเพิ่งไปไปสร้างเรื่องราวอะไรให้มันเหมือนกับในโทรศัพท์อะ่ะเมื่อใดเราต้องการจะใช้เราก็กดแอปพลิเคชันขึ้นมาอ่าแล้วกดแอปขึ้นมาแต่ในช่วงไหนที่ไม่ต้องใช้ก็ เขามันก็จะเป็นไอคอนอยู่ตรงนั้นก่อนอเมื่อกดปั๊บมันก็จะมาแต่ในตัวไอคอนนั้นคือตัวรู้ซื่อๆนี่นนะมันฝังอะไรตัวหลากหลายอยู่ในนั้นมากเลยแต่เมื่อเราไม่ต้องการใช้มันก็คือตัวรู้ซื่อๆนั่นเอง น, น่ะนั่นเองก็ถือว่าเป็นเป็นสิ่งที่เราทั้งหลายต้องทําให้ตัวรู้ซื่อๆนี่ให้ชัดไว้เสมอคือรู้จิตเดิมแท้ท่านบอกว่ามันมีอยู่แล้วแต่ละเวลารู้ซื่อแต่ว่า เพราะฉะนั้นสามารถที่จะรู้ได้ทุกตัวในตัวที่เราเห็นเนี่ยนะแต่ขอให้พื้นฐานจิตของเรารู้ซื่อๆไว้ก่อนแต่ว่าไม่ใช่รู้ซื่อบื้อนะอย่างที่ว่าวันก่อนรู้ซื่อๆกับรู้ซื่อบื้อคนต่างกันถ้ารู้ซื่อบื้อก็เรื่อุเเกขาเวทนาถ้ารู้แบบซื่อๆก็เราเป็นอุเเกขาสัมโพชงเลยทีเดียวนะไม่ใช่ธรรมดาแล้วนั่นเองมาก็อยากจะเปรียบอย่างให้ชัดเจนขึ้นมาอย่างนี้ว่าไอ้ตัวรู้ซื่อเนี่ยเหมือนพระอาทิตย์มันมีอยู่แล้ว แต่เมื่อไดรู้ซื่อๆตัวนี้เมื่อมีความคิดมีอะไรเกิดขึ้นมาปั๊บเหมือนก็เหมือนเมฆหมอกที่มันไหลมาบังบางทีวันทั้งวันฟ้าไม่เปิดเลยทั้งๆนี้ผ้าที่แจ่มแจ้งอยู่ตลอดเวลานะแต่ฟ้าไม่เปิดเลยเพราะภายในนั้นมันมีอะไรผ่านมาตลอดเวลามันแอบตลอดเวลาเมื่อไหร่ดังนั้นจิตของเราเหมือนกันจิตรู้ซื่อๆมีอยู่แล้วตลอดเวลาแต่บางวันมีเรื่องราวอะไรเข้ามาตลอดเวลา ตัวรู้ซืก่อๆก็อยู่เบื้องหลังนั่นแหละนะเมื่อไรสลัดพวกนี้ออกไปมันก็มาทันทีนะเพราะฉะนั้นเราจึงฝึกตัวรู้สึกซื่อๆเนี่ยให้ชำนิชำนาญเอาไว้นะที่มิชีพูดอยู่คำหนึ่งที่ว่าให้ฝึกความดับให้ชำนาญเอาไว้เช่อไหมผีมชูพุดเมื่อกี้นะอ่าอ่ะบ่อน เพราะนั้นจุดนี้ก็มีอะไรที่แต่ว่าการใช้ภาษาทางด้านวิชาการคือใช้ภาษาของท่านเราไม่คุ้นนะแต่ว่าเราคอยอฟังไปบ่อยๆเดี๋ยวก็จะคุ้นเองว่าการดับมันมีอยู่แล้วเนี่ยอย่างการพูดได้ยินเสียงตลอดเนี่ยท่านเน้นบอกว่าฟังได้ดีทีละคาใช่ไหมคือคำนั้นก็จบก็ดับไปก็คำใหม่ขึ้นมาดังนั้น รากฐานคือการเกิดดับเนี่ยเป็นรากฐานที่ว่าผู้ใดเห็นการเกิดดับกับผู้นั้นเห็นปฏิสุบทผู้ใดเห็นปฏิสุะคือการเกิดดับมันเกิดขึ้นแล้วก็ดับตรงนั้นถึงใช้คําว่าการเกิดตัวสมุทัยทวารการดับปับ น, นิโรธาทวารก็คือการเกิดดับแต่เป็นภาษาวิชาการตลอดนะตอนนั้นก็ขออนุโมทนาในค่ําคืนวันนี้ที่มีผู้มาชี้ ให้เราเห็นอีกประเด็นหนึ่งว่าความรู้ซื่อๆดีรู้สึกตัวซื่อๆนั้นให้เราไปทําความเข้าใจให้ถูกต้องว่ามันเป็นช่วงระหว่างการเกิดการดับในที่มีอยู่แล้วก็เห็นอยู่มีอยู่แต่ว่าเรายัางถ้าไม่จําเป็นก็ไม่ต้องไปให้ความจําได้หมายรู้ไปให้ความหมายกับมันให้ดํารงตัวรู้สึกซื่อๆเฉยๆนี่เอาไว้เสมอแต่เมื่อไรมีความจําเป็นอะไรขึ้นมาใช้มีเหมือนกับผู้มาชี้ปับ๊บแล้วก็ มองได้ทันทีใช้ได้ทันทีเลยโดยที่ไม่ลังเลนะเพราะฉะนั้นก็ขออนทนาอีกครั้งหนึ่งที่เราทั้งหลายได้ตั้งใจและอดทนฟังแล้วก็นำไปพินิจพิจารณาเพื่อเราจะไดะ้มีความมั่นคงในการฝึกเข้มแข็ง เมื่อใดเรามีความชำนิชำนาญในเรื่องตัวรู้สึกซื่อๆได้มากเท่าไหร่เราก็ใช้ประโยชน์ได้มากเท่านั้นเหมือนเรามีดวงตาที่มีแจ่มดีแล้วเราจะมองอะไรก็ไม่ขัดสนในการที่จะรู้จักใช้ได้ทันทีก็ขอให้ความตั้งใจที่เรามีในวันนี้จงเป็นปรัปัจจัยให้เราได้ดวงตาเห็นธรรมด้วยการทุกคนทุกท่านเถอ